ถามอยากขอวิธีคิดเพื่อให้ลืมความเจ็บช้ำน้ำใจจากแม่สามีซึ่งเห็นแก่ตัวไม่เคยถนอมน้ำใจเราเลยมาตลอด30ปีแต่เราก็ยังต้องไปเยี่ยมเยียนอยู่เสมอตอบทุกครั้งที่คุณไปพบแม่สามีจิตเล็งอยู่แต่ว่าไปรับเรื่องร้ายแล้วเรื่องร้ายก็มากักเก็บอยู่ในคุณทางที่ดีลองมองใหม่แต่ละครั้งที่ไปพบ ให้ตั้งจิตคิดว่าคุณมาทำแบบฝึกหัดขอให้เลือกเอาระหว่างหนึ่งเอาชนะความโกรธด้วยความเงียบแบบไม่คิดอะไรเก็บกักทุกสิ่งไว้ในใจคุณจะรู้สึกถึงแรงอัดภายในเหมือนถูกอุดปากอุดจมูกวิธีนี้อาจส่งผลร้ายภายหลังคือกลายเป็นคนเก็บกดพร้อมจะระเบิดเมื่อเครียดถึงจุดหนึ่งแต่ข้อดีคือ คุณไม่ต้องมีปากเสียงกับแม่สามีในนาทีที่ต้องอยู่ด้วยกัน 2. เอาชนะความโกรธด้วยความเงียบที่เจออยู่ด้วยความคิดให้อภัยลักษณะของจิตจะเปิดกว้างและเป็นสุขหลอดโปรง่งเหมือนปลดปล่อยกลุ่มน้ำสีขาวสวนออกไปยับยั้งกลุ่มน้ำสีดำมิให้ทะลักท่วมเข้าสู่จิตใจคุณวิธีนี้จะส่งผลดี ทั้งขณะอยู่กับแม่สามีและหลังจากที่ผ่านแม่สามีไปแล้วทั้งสองข้อไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งล้วนแล้วแต่ดีกว่าการมีปากมีเสียงอันจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสัมพันธภาพระหว่างกันอีกทั้งเป็นการฝึกยับยั้งชั่งใจฝึกห้ามใจไม่ให้ปากได้แผลงริสส่วนคุณจะเลือกข้อดีที่สุดได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงใจของคุณเองแน่นอนว่าการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณจะพบว่าเมื่อฝึกหลายๆครั้งกระทั่งอภัยได้เป็นปกติโดยปราศจากความฝืนสติปัญญาและตบะบารมีของคุณจะแก่กล้าขึ้นถึงตรงนั้นคุณน่าจะพบวิธีเฉพาะหน้าที่จะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีหรืออย่างน้อยพอห น, นักให้เป็นเบาได้ครับ ธรรมชาติของจิตเป็นเช่นนั้นเมื่อสั่งสมบารมีคือเมตตาและขันติถึงระดับหนึ่งปัญญาอันหน้าทึ่งจะเดินตามมาเอง